รวมสิกขาบทที่มีในโอวาทวัคโอวาทวัคมี10สิกขาบทคือ 1. โอวาสิกขาบทว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณี 2. อัดทังคตาสิกขาบทว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีในเวลาที่ดวงอาทิตย์อัสดงแล้ว 3. าภิกขุนูปัตสยะสิกขาบทว่าด้วยการไปสั่งสอนภิกษุณีถึงที่สำนัก 4. อามิตศสิกขาบทว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่อามิตห้ 5. จีวราธานะสิกขาบทว่าด้การถวายจีวร 6. จีวรสิบณะสิกขาบทว่าด้การเย็บจีวรให้ภิกษุณี 7. สังวิธานาสิกขาบทว่าด้การชักชวนเดินทางร่วมกัน 8. นาวาพิรุหนาสิกขาบทว่าด้การโดยสารเรือลำเดียวกัน 9. ปริปากิตะสิกขาบทว่าด้การฉันบิณฑบาต ท, ที่ภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียม10 ระหนิสัชชะสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่ลับ